ตอนนี้ไปพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความเพียรทาง จ, จิตใจดนั้นต้องอาศัยความสงบปเป็นพื้นฐาน สงบกาย ก, ายกายก็นั่งนิ่งนิ่ ง, งสงบวาจาพ็หยุดพูดสงบใจก็จะไปส่งเสริมความคิดธรรมดาจิตนี้มันมีปกติเอ็ดไปในอารมณ์ต่างๆ ท, ท, ท, ที่เป็นอดีตทวงมาแล้ว บางที่เป็นอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงบ้างมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของจิตแต่เมื่อได้มาฝึกทำสมาธิภาวนาเข้าไปให้มัน ตกระแสอารมณ์ภายนอกออกไปแล้วก็มาเพ่งอยู่เธอภายในมันถึงสงบลงได้ถ้ามันยังติดต่อเนื่องอยู่อารมณ์ภายนอกแล้วมันจะสงบไม่ได้เลยดังนั้น ถ้าใสติเป็นเครื่องกันก้นกะแส้จิตไม่ให้คิดพุ่งไปตามอารมณ์ภายนอกดังกล่าวมันถึงจะขาดจากอารมณ์ภายนอกได้สติเป็นเครื่องกัน้น กะระแสจิตม่คิดไปให้ใหมันกั้นความคิดนึกให้ไปในทางที่เราต้องการเหมือนอย่างชาวนาชำสวนกั้นน้ำขึ้นไหนาใส่สวน น้ำนั้นปกติมันก็ไหลไปทางต่ำมันจะไม่ไหลขึ้นสูงเลยเมื่อคนทำทำนกกันเข้าไปเมื่อทำนกแข็งแรงน้ำมันก็อยู่เมื่อมารวมกันหนาทำนกมากๆเข้าไปแล้ว สำนอบมันสูงกว่าที่นาที่สวนน้ำมักรไหลบ่าเข้าไปสู่ที่นาที่สวนได้ตามประสงค์อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีสติสมัูรณญยาเพ่งจิตใจอยู่ภายใน พยายามประคองจิตไว้อย่ายห้คิดพุ่งสร้างไปทางอื่นเมื่อประคองจิตไว้ได้มันก็ไม่คิดส่งไปในอดีตอนาคตเมื่อจิตไม่คิดไปตามอารมณ์ตามเรื่องต่งตางๆ ในอดีตอนาคตแล้วมันก็หยุดมันก็สงบนิ่งอยู่ อ, อะไรเราสงบนิ่งอ่ะความรู้สึกอันนั้นแหละมันไม่คิดไก็นะมันมีแต่รู้อย่างเดียวดังนั้นอ สติประจึงค่อยประคองความรู้สึกอ น, นั้นไว้เมื่อสติแก่กล้าเข้าไปความคิดก็ไม่ไปทางอื่นมันเป็นความรู้อยู่ในนั้นเหมือนอย่างน้าเมื่อมันไม่ได้ไหลลงต่ามันก็รวมกำลังกันอยู่ มันยังที่กล่าวมาแล้วจีตใจนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยถ่อสติประคองไว้มันรวมกำลังความคิดความนึกทั้งหลายมารวมเข้าอยู่ความรู้สึกอันเดียวความรู้สึก น, นี้มันก็มีกำลังขึ้น มันก็ได้หมุนไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลหมุนไปหาทางพ้นทุกข์แล้วว่าจิตคิดไปในทางกุศลบัดนี้ไม่ไม่ไีคิดไปในทางต่ำทางต่ำนั่นหมายเอาเอกุศลทางสูงนั่นหมายเอากุศล อันนี้แหละจุดมุ่งหมายของการฝึกฝนจิตให้พากันเข้าใจอย่าไปสงสัยรังเลทำย่างไงเนาะจิตจึงจะสงบจึงจะสบายก็ทำอย่างว่านี่แหละแต่ต้องอดต้องทน อดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆดังที่แสดงให้ฟังมาแล้วแต่ครันคน้งก่อนถ้าไม่ตั้งความอดทนเป็นพื้นฐานจะไม่ตั้งมั่นลงไปได้เลยจิตนี่นะมันจะไม่หนักแน่น มันจะรู้ดียังไงมันก็ไม่อยู่ถ้าไม่มีความอดทนเป็นฐานที่ตั้งดังนั้นต้องให้สร้างความอดความทนให้เกิดมีขึ้นในใจนอกจากอดทนต่อทุกเวนนาทนาต่างๆทางร่างกายแล้ว ก็อดทนทุกเวทนาทางจิตใจเิตใจนั้นเกิดความรู้สึกไม่สบายผิดปกติแล้วก็ไม่ถอยก็อดทนเมื่อออดทนไปไม่ท้อไม่ถอยความอดทนเนี่ยท่านบอกเป็นตปะธรรม เ, เพิ่มเผากิเลสที่มักดองในจิตใจให้แห้งไปหรือไม่นั้นจะให้ถอนออกไปจากกิจนี้แต่กิเลสบางอย่างมันมันมีอำนาจมากเมื่อมันถอนออกไปมันก็แสดง นิมิตต่างๆให้เห็นผู้ไปรู้เท่าก็เพลินไปตามนิมิตนั้นหรือเป็นนิมิตที่่ายอคุศลมันก็มันก็เห็นในสิ่งที่น่ากลัวน่ากเกลียดจิตก็ดุดุ่งพุ่งสร้างไปก็กลัวภัย จะเกิดมีขึ้นแกต่ตนอันนี้ให้พึงรู้ไว้นิบิต ท, ทั้งมวลนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันไม่มีอำนาจม้อิทธิฤทธิ์อะไรหรอกจิตไปกลัวทางหากเช่นอย่างว่าไปเห็นผีเห็นสางอะไร ไปเห็นสัตว์ที่ดุร้ายอะไรต่างๆมดนี้นะมันไม่สัตว์จริงมันไม่ใช่สัตว์จริงๆไม่ใช่ผีจริงๆมันเป็นเพียงสัญญาเท่านั้นสัญญาอารมณ์ที่จิตไปยึดถือเอามาหมกหมมไว้ภายในจิตใจนี้ เมื่อจิตเห็นโทษของสัญญาอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือก็อเพ่งละอย่างที่ว่ามานั่นแหละอดทนไม่ไม่คิดไม่พูงแต่งไปไปนอกพอเห็นโทษก็มาแล้วเบื่อความคิดพอคิดแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ในขณะนั่งพอน้าอยู่นี่ไม่ได้ทำงานอะไรคิดอยากทำอะไรก็ไม่ได้ทำเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เวลาที่จะทำงานทางกายทางวาจาอันนี้เป็นงานของขิดต่างหากพอรู้อย่างนี้แล้วก็นั่ละพยายามเพ่ง กำหนดจิตให้แน่วแ น, น่ลงไปอารมณ์ทั้งหลายจะแทรกแทงอยู่ในจิตใจไม่ได้เลยในเมื่อจิตสงบละเอียดเข้าไปอารมณ์มันก็ถอนตัวออกไปเกิดเป็นนิมิต ด, ดังว่านั่นแหละบางคนก็ไม่มีนิมิตบางคนก็มี ผู้ไม่มีก็รู้เท่าว่าตนภาวนาไม่เห็นนิมิตอะไรเดีย๋ยวนี้ก็จะไปน้อยเนื้อต่าใจเห็นคนอื่นเขามีนิมิตรปรากฏเดีย๋ยวนี้จะไปน้อยเนื้อต่าใจว่าตนทำไมให้ภาวนาจึงไม่เห็นอะไร อติวิตกพิจารณ์อยู่นั้นมันไม่ถูกต้องไม่ใช่านิมิตนี่มันเป็นเองมันคนจะไปแต่งเอาให้มันเกิดเป็นไม่ได้แต่งไม่ได้ทำจิตได้สงบลงไปแล้วมันเกิดขึ้นมาเองแต่มันจะเกิดนะ เมื่อผู้ที่มันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดไรต้องรู้ไว้อย่างนั้นแต่ความมุ่งหมายของการทำสมาธิภาวนามันอยู่ที่ทำใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันละเวอวนทั้งห้าให้ระงับดับไป ละความรักละความชังละความมายาบาตจองเวนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นละความที่จิตหดถูกเกิด่ขึ้นว่งเหงาหาวนอนในเวลาอันไม่สมควรจะนอนมันกงวง่วงกงเหงาอันนี้ท่านเรียวกว่า มันเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญบุญกุศลท่นานเรียกว่านี่วรณธรรมแปลว่าทมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้แต้พักใอ้เข้าใจคำว่านิวรณนะแปลให้ฟังแล้วดังนั้นผู้ดใดรู้จักความหมายอย่างว่านี้แล้ว ผู้นันก็จะไม่ยอมให้นิวรณธรรมเหล่านั้นครอบงมจิตใจถ้าถึงว่ามันครอบงมก็พยายามแก้ไขมันเห็นความงวงอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่ามันวุวงก็แก้ไขมาให้ให้มันไม่ง่วงเลยหาอุบาย านังอยู่อย่างนี้มันง่วงอย่างนี้ล้วก็นึกถัดคิดถัดนึกนึกถึงประวัติความเป็นมาของพระเจ้าบ้างนึกถึงคำสอนของพระองค์ว่าเป็นนิยานิกาธรรม นำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริงเมื่อเราระลึกถึงทานการกุศล ต, ต่างลึกความถึงความดีที่เราก็ทำมาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์คือไผกุศลมันเกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจก็เบิกบาน เอานี้ความว่วมก็หายไปเอออย่างนี้นแหละในขณะที่นั่งภาวนาอยู่หางมันง่วงเหงาห้านอนก็จะไปน้อมจิตไปตามมันทำจิตให้แข็งแข็งไว้แล้วก็เลือกถึงอุบายต่างๆด ง, ง, งที่กล่าวมานั่นแหละเลยไม่จะแสดงก่อนเลือกถึง ว่าความตายเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะจะมวดหลับเมื่ อ, อไหลอยู่เนี่ยไม่ได้บุญได้กุศลอะไรติดตัวไปมากมายเพราะคนเรามีง่วงแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยมิแตนอนลูกเดียวนอนแล้วจิตใจนี่ก็ไม่มีปัญญาอะไรเลยเมื่อร่างกายนอนพักผ่อนไปแล้ว ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรอย่างนี้แหละดังนั้นถึงเวลาพักผ่อนก็จึงพักผ่อนกันถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นต้องฝึกเอาอย่างนั้นคนไม่ฝึกแล้วมันไม่เป็นมันนอนจมไปเลยอันนั้นแหละเรียกว่าไม่มีเวลาที่จะได้ บำเพ็ญบุญกุศลทางจิตใจเลยตอนกลางคืนมีแต่นอนลูกเดียวอันนี้แ่ะท่านยกว่านิวนรณนะเป็นเครื่องกันกิดใจบรรลุความดีได้พระพุทธเจ้าจะตัดสรุพละอาสวัคกิเลสขาดจากพระคันธัสดานพระพองค์ตัดทรุในวันหัวรุ่งนั่นเอง แต่ที่จริงพระองค์นั่งสมาธิอยู่หมดคืนเ่ะก็จึงได้ตัดสรุปยานที่หนึ่งยานที่สองไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้นอนนะคืนนั้นตามตำราแล้วเจริญยานที่สามไปในที่สุดก็ได้บรรลุอาสวกัขขยาญาณแปลว่ายานความอย่างรู้ว่า อาสวะอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วโหลอย่างนี้นะยานความรู้อันนั้นท่านจึงเรียกว่าอาสวะขยายานแปลว่ายานอย่างรู้ความสิ้นไปของกิเลสในใจนั้นอ น, นิจจจึงว่านิวรเครื่องกั้นจิตไม่แลกไม่บรรลุความดีได้ การปล่อยจิตให้คิดพุ่งไปทางในอารมณ์ต่างๆยิ่งไปใหญ่อันนั้นนะหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ปล่อยให้จิตให้คิดส่งออกไปแต่ทำแต่เรื่องราวภายนอกพู่นไม่ได้ทวนกนระแสจิตเข้ามาภายในไม่ได้มาเพ่ง จิตอันนี้เมื่อไม่เพ่งจิตนี่มันก็หลอดแหละมันก็ถูกอิเลทผักดันเอามันก็คิดส่้านไปทั่วอย่างที่ว่ามานเนี่ยเนี่ยทุกคนผู้ปฏิบัติธรมรมก็จูฬากันทรวนกระแส จ, จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้อย่าไปมัวส่งใจจิตออกไปหาโลกภายนอกนูน่น โดยเข้าใจว่าโลกนี้กว้าไงใหญ่ไพศาลถ้าเราคิดส่งแกไปตามแล้วจะมีความสุขสบายที่จะนั่งก็ปล่อยจิตได้เพลินไปทั่วอ้ทีนี้เวลาจะมาคิดเอาจริงเอาจังจะมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตคิดไม่ได้เลยเพราะว่าจิตบันลอยอยู่ภายนอกแล้ว นี่หลาเข้าใจเหตุที่คนเราไม่รู้แจ้งชีวิตนี่ตามความเป็นจริงก็เพราะว่าปล่อยให้จิตมันคิดส่งรอยไปแต่ภายนอกกู้น่ะจิตไม่ได้ยับจั้งอยู่ภายในถ้าเราทวนกนระแสจิตเข้ามาหาความรู้สึกอันนี้เรามาเพ่งอยู่นี่ ไม่โทษไม่ถอยความคิดมันก็อ่อนลงอ่อนลงอ่ในที่สุดมันก็ระ ง, งับรงได้ความคิด น, นั่นก็นรเหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ภายในอันนี้แหละท่านจึงเรียกว่าระ ง, งับความหุ่งทานลำคลางของจิตใจด้วยการเพ่งลมหายใจเข้าออก ความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานต่างๆเรื่องนรกมุนิยาให้มีในใจถ้าสงสัยเราต้องถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจะได้อธิบายให้ฟังหายข้องใจถ้าบุคคลไม่ถือทิ่ถีมานะแข็งกระด้างแล้วนักปราชญอาจารย์เพื่อนอธิบาย มีเหตุผลเพียงพอให้ฟังเช่นนี้นั้นก็ยอมจะยินดีฟังน้อมรับเอาคำสอนนั้นด้วยดีแต่ผู้เช่นนี้แหะจะเป็นผู้คำจัดนิวรณ์ทั้งห้าได้เมื่อคำจัดนิวรณ์ทั้งห้า ได้แล้วจิตใจมันก็สงบรงเองมันโดยไม่ต้องข่มไม่ต้องนั้นอะไรไม่ต้องเพ่งให้ลำบากมันรวมลงเองมันว่าแต่เรามีสติควบคุมแต่ที่แรกแล้วม่ให้มันคิดพุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันมีสมาธิมีกาลังแ ข, ข่ค่าแล้ว อารมณ์ภายนะในที่จิตใจยึดถือไว้แต่อดีตเมื่อวานนี้อย่างนี้นะมันก็ดับไปอ่ะไม่อยู่แล้วอมันก็ถอนตัวออกไปเนี่ยนะอันที่จิตมันสงบติ่งลงไปหาพบเจอพบเิอไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละมันคา้าจิตใจที่ข้างกิเลสไว้ในใจ มาแล้วไม่เพียนไม่ยามละมันเห็นแต่แก่ความถูกความทรงสนานเห็นแต่แก่รับแก่นอนไม่ทำความเพียนผู้นั้นก็ไม่สามารถจะมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจจะทำของจริงได้เนี่ยพากันเข้าใจ ปัญญาจะเกิดได้เพราะจิตเป็นสมาธิใจตั้งมัน่นปัญญาจึงมีาใจไม่ตั้งมั่นแล้วปัญญาไม่เกิดดังนั้นให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจทำสมาธิภาวนาต่อไปตามที่แนะนำสั่งสอนมานี้แล้วก็เมื่อสติเข่งเข้าไปในจิต จิตสงบจิตมีกำลังดีได้อย่างนี้แล้วก็จึงค่อยเจริญภาวนาต่อไปและจึงเจริญปัญญาเมื่อ็จึงจะรู้แจ้งร่างกายสังขาร น, นามรูปอันนี้ตามเป็นจริงได้เพราะจิตมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี่ไปวันไหนไปที่ไหนแล้ว เมื่อปัญญามันเห็นแจ้งนามรูปตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่ใช่ถ้าเป็นเราเป็นของเราก็บอกได้บังคับได้ใครจะไปอยากตายแล้วอันนี้ที่มันได้ก้มหนา้าตายไปก็เพราะว่า ตนไม่มีอำนาจอะไรในชีวิตนี้เลยไม่บังคับบัญทาร่างกายนี้ไม่ได้ดังนั้นเย่ยมันถึงได้แก่ได้เจ็บได้ตายไปตามกฎธรรมดาของมันพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียใจดีใจกับมันมีแต่เพ่งกำหนดรู้เท่าอยู่ทมธรรมดาเท่านั้นเอง เมื่อจิตได้มีปัญญาได้รู้แจ้งสักครั้งหนึ่งอย่างนี้มันก็เป็นกำลังใหญ่นะทำให้จิตตันอยากจะรู้ยิ่งไปอยากจะรู้อะไรก็รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์นั่นแห ล, ละหรือว่ารู้เท่าทุกข์เข้ามารู้ยิ่งนะ รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็รู้ทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาอย่าไปกลัวทุกข์อย่าไปส่งใจไปทางอื่นทุกข์เกิดขึ้นในกายในในใจเขาเพ่งอยู่ที่กายอย่างนี้นะเพ่งดูทุกข์กันนะั้นมันมีตัวมีทนจริงเหรอเนี่ย เมื่อเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้ทุกข์นั่นไปแต่เพียงมายามก็าหายไปอย่างนี้แหละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาอยากให้รูปกายนี่อยู่ยั่งยืนนานจึงได้ไปหาข่าสัตว์ตัดชีวิตมาเรียกตัวและครอบครัว นันะโดยที่เข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นของตัวของตนจริงจังอุกนภูปนาภาวนาเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงอย่างที่ว่าแล้วแล้วก็ไม่เป็นทําบาปหาเรี่องชีพโดยทางสุจริตได้ยังไงมาก็ บริโภคอยู่กินไปอย่างนั้นเทราจแลผู้รักษาศีลแล้วไม่ต้องกลัวตายรักษาศีลได้นนมั่นคงแล้วไม่ได้กินเนื้อกินปลาเหมือนอย่างคนที่เขาไปลงหนองไปลงห้วยหรือไปสวหาสัตว์ป่าอะไรโตอะไร หมดนั้นได้มาเกณฑการสนุกสนานเราไม่ต้องน้อยเนื้อตามใจอะไรอ่ะโผมใจในสินของตนดีกว่าเพราะสินนี่จะพาทนไปสู่สวรรค์จะไม่พาไปสู่นรกุรรัยเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่รถอาหารในรีนไม่ยอมล่เว้นจากการเบียดเบียนแน่นอนแหละคูนั้นนะ ตายลงไปเรื่อบาปกรรมมันก็นำไปสู่อนุกอบายภูมิอย่างที่เคยแสดงมาบ่อยๆ อ, อยู่แล้วการที่แนะนำสั่งสอนและกล่าวมานี้ได้ชื่อว่าเป็นอุบายที่จะไปสอนจิตใจของผู้ฟังไม่ให้เกียดค้าน ในการลุกขึ้นทงความเบียนเตือนตนเสมอว่าไอ้ความตายเนะ่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะจะมามัวนอนหลับนอนไหลอ ย, อยู่นี่ทำไมลุกขึ้นทงความเบียนเดิดถ้าปล่อยใจให้มัวหมองด้วยบาปอากุศลนี่แล้วเนนี้บาปกรรมนั้น ก็จะนำไปสู่นรกอบายภูมิจะได้รับทุกข์ทนทรมานยิ่งกว่าทำความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมในพระพุทธศาสนานี้ถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากก็ยังไม่เท่าเสี่ยวหนึ่งที่บุคคลบูกปการาม เห็นได้กลัลบแกนอนแล้วทำแต่บาปตายแล้วไปตกนรกอันนั้นทุกข์หลายรอล้นคนประมาณพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ <Okay. S 1> ให้มีอุบายเหล่านี้สอนใจตัวเองเสมอเสมอถ้าถกาคำบากก็ยังไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งที่บุคคลบูปมาศเห็นได้กลัลบแกนอนแล้ว ทำแต่บาปตายแล้วไปตกนรกอันนั้นทุกข์หลายเหลือล้นพ้นประมาณพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ให้มีอุบายเหล่านี้สอนใจตัวเองเสมอเสมอถ้าผู้ที่ม่เชื่อนรกก็มีจรงิงแล้ะสอนไม่ได้เลยช่วยไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่เรา แล้วแต่ความชอบใจของผู้นั้นใครก็ไม่บังคับเลยทําไม่เชื่อแล้วก็แล้วไปอผู้ใดเชื่อก็จําอุบายนี้ไว้สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอะฉะนั้นนะ่ะชื่อหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่พร้อมมาดในชีวิตมันเตือนตนบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่เห็นกระลับเพลนอนแลยวันนี้นะ มันก็ไม่นอนจมถือเวลาตื่นมันก็ตื่นได้ถือเวลานอนมันจึงค่อยนอนนี่ยผู้ที่ได้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็ดีผู้ที่เป็นอุบาสกปัสกาผู้ปฏิยานตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นดีพึ่งแล้วก็ดี ความมุ่งหมายก็เพื่ออยากจะถอนตนให้พ้นจากทุกข์พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็จึงได้มาจำสินภาวนาฝึกตนไม่เห็นแก่ทุกข์ยากลมบากหรือผู้ที่อยู่ครองเลือนก็ต้องรักษาสินห้าประการให้มั่นคง ผู้ภาวนามองเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่ามาแล้วนะเอ้าจะไปทำบาปมาเลี้ยงมันทำไมก็ใช้กายฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมลัยกันชายาฝิดนเนโกอินใช้รจาพูดเท็จพูดหลอกกลวงเอาสมบัติผู้หลวงเป็นของตน เลือพูดคำหยาบด่าแข่งพูดเพ้อเจ้อเลียวไหลหมนี้นะมันเป็นวาจาที่ประกอบพปด้วยบาปอกุศลจะพาไปส่วนนรกอบายภูมิบางทีก็บางคนก็บาปไปถึงไม่ถึงกับได้ไปตกนรกเช่นอย่างใน อดีตาการพระพุทธเจ้านำเรื่องราวของพระองค์มาแสดงทางนั้นพระองค์เป็นพระราชาในเมืองพระนาซีพระไมเหสีไปเล่นทู่จากพระองค์พระองค์เรียกมาถามพระไมเหสีก็ปฏิเสธว่าไมได้เล่น พระชาชาไม่เชื่อเพราะมีคนมาพูดใจหูอยู่บ่อยๆไม่ได้เล่นจริงๆถ้าฉันได้เล่นสู้จากผัวแล้วตายไปขอให้ได้เป็นเปรตขอให้ได้กินน้ำเน่าน้ำเหลืองของตัวเองขอให้ได้กินลูกวันละเจ็ดคนเจ็ดคน เมื่อสาวานตนอย่างนั้นแล้วภาามีก็ไม่ว่าอะไรอยู่มาก็ฝ่ายมาเหตสีก็สวรรคตตรงตายลงตายแล้วก็เลยได้ไปเกิดเป็นเปรตไม่มีข้าวเนาะมันจะกินแล้ะกินน้ำเลือดํำเหลืองของตัวเอง คลอดลูกออกมาทีละเจ็ดคนเจ็ดคนออกมาแล้วก็กินลูกตัวเองให้หมดเมื่อหิวหิวมาดูดกินน้ำเลือดน้ำหลอดน้าเลือดน้าเหลือมันไหลเยอะออกจากจากตัวเองเออที่คลอดลูกออกมาก็กินลูก แต่กลางกลางคืนนะเป็นเปรตไปกินลูกไปอันนั้นอยู่นั่นแหละแบบนี้ส่วนกลางวันนั่นเป็นเป็นเทวดาเป็นภูมะเทวดาลูกสวยลูกงาม พระราชาไปล่าเนื้อในป่าไปเห็นเข้าสวยงามก็เลยไปสมสมสูด้วยสมถูไปกลางวันแต่กลางคืนมาพระราชาหลับแล้วก็ลิบกล่องแก่งลงจากภิมานไปไปสวยวบักกรรมนั่นน่ะไปกินลูกตัวเอง กินน้ำเลือดน้ำเหลือง อ, อันนี้เพราะกลางวันไม่ได้ทำบาปอย่างนั้นได้ทำบุญอยู่บ้างแบบ น, นี้นะกลางคืนไปเที่ยวทำชู้กับชายอื่นเข้าไปทำชู่กับชายอื่นเข้าทุจริตต่อสามี อะกรรมเนะี่มันก็ให้ผลในกลางคืนนี่แนหะกรรมเนะี่มันยุติธรรมอย่างนี้ทํากลางคืนมันก็ให้ผลกลางคืนทํากลางวันมันก็ให้ผลกลางวันไอ้อย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจผู้ดใดทำบาปแต่ยังหนุ่มย่างน้อย เช่นไปฆ่าคนตายแต่ยังหนุม่มอย่างนี้นะเมื่อเกิดมาเป็นวัยหนุ่มก็ถูกเขาฆ่าตายอีกแล้ว อ, อ่มันเป็นอย่างนั้นกรรมนี่มันยุติธรรมมาแล้วเกินนะเดียกว่าผู้ใดทํากรรมชั่วเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นทํากรรมชั่วไวัยไหนไวัยเด็กหรือวัยหนุ่มหรือวัย กลางคนหรือใ้แก่ก็แล้วแต่ไอ้กรรมชั่วนะมันตามทันเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นเลยทำเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดเชื่อคำสอนของพูุ้ทธเจ้าดังนำมาแสดงในครั้งนี้ก็จงพากันเว้นตาม เอถ้ากกลัวทุกข์ภัยในในรกพระผู้ใดไม่กลัวแล้วก็แล้วไปผู้ใดกลัวแล้วเอา้าก็รีบเร่งทำความเบียนดังจิตใจเข้าเป็นนักปวดก็ตามเป็นกระลือหัดก็ตามให้มีสิทธิ์ที่จะไปนรกได้เหมือนกันหมดนัดกบวชก็ดี ถ้าเกลีคาันทำความเบียนเห็นแต่กลับแกนอนปล่อยให้ตั ก, กี้เลปบาปธรรมครอบงมจิตใจอย่างนั้นนะมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปในโลกได้เหมือนกับชาวบานนั่นเองนะยแม่แจวพอบวชเป็นพระเป็นเจ้ามาแล้วมันจะพ้นบาปพ้นโทษไปเลยอโดยที่ตนไม่สำรวมระวังในธรรมวินัย อย่างนี้และจะไม่ให้มีบาปปิดตามตนแล้วไม่ได้ดังนั้นน่ะมันต้องตั้งใจลงผู้ดใดกลัวภัยในวัตาสงสารเชื่อพระพัญญาสัตวรของพระพุทธเจ้าแล้วต้องตั้งใจทำใจส ง, งบจริงๆ การเพ่งใจให้สงบไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปอันนี้มันก็เป็นการตัดถอนบาปอากุศลเบืองต้นนี่นะให้เบาลงมันนี้เป็นตอนถอ น, ถอนรากของกิเลส จ, จริงๆเนะี่ยไปถอนเอาด้วยปัญญานู่นมาดิไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะมื่อรู้แล้วขอให้พากันตั้งใจทำใจสงบระงับให้ได้ ต่อไป